ยาีเรียเรื่องตัวโกรธกับเสียงเกี้ยวผู้รู้ธรรมนั้นไม่ได้หมายถึงผู้ทรงจำคำภีได้มากหรือเทศเก่ง หากได้แก่ผู้ที่รู้จิตใจของตนและเท่าทันอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นบางครั้งหลวงปู่บุตรดาก็มีวิธีการแปลกๆเพื่อเตือนให้ตระหนักถึงความจริงในข้อนี้ค ร, ราวหนึง่งหลวงปู่ได้รับอาราธนาให้เทศคู่กับท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งท่านเจ้าคุณรูปนั้นเห็นหลวงปู่บุตรดาเป็นพระบ้านนอก คงไม่มีความรู้ด้านป ร, ริยัติธรรมมากเท่าใดจึงถามหลวงปู่ทำนองอย่างเชิงว่าท่านจะเทศเรื่องอะไรหลวงปู่บุตดาตอบว่าเรื่องตัวโกรธกิเลสตัณหาท่านเจ้าคุณก็ถามลองภูมิต่อว่าตัวโกรธเป็นอย่างไรซนไงล่ะหลวงปู่ตอบ เท่านั้นแหละท่านเจ้าคุณก็โกรธหัวฟัดหัวเวียงและไม่ยอมเทศคู่กับหลวงปู่หลวงปู่ต้องขึ้นเทศรูปเดียวเมื่อเทศจบแล้วท่านก็ไปขอขมาท่านเจ้าคุนรูปนั้นแล้วอธิบายให้ท่านเจ้าคุนรู้ว่าตัวโกรธเป็นอย่างนี้เองเราสามารถเรียนรู้ทำได้จากอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น หากเพียงแต่รู้จักเฝ้ามองให้เป็นแต่ถ้าลืมตัวมันก็จะสามารถครอบงำจิตใจเราได้และพลอยทำให้เราตกเป็นทาสของสิ่งแวดล้อมสุดแท้แต่ว่ามันจะปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกใดๆแก่เรานอกจากเรียนทาจากอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วบางครั้ง หลวงปู่ก็ใช้สถานการณ์รอบตัวเป็นเครื่องมือสอนทำโดยท่านเพียงแต่ส ก, กิดให้ฉุกคิดเท่านั้นครั้งหนึ่งหลวงปู่ได้รับนิมนต์ไปฉันเพลนที่บ้านโยมเมื่อฉันเสร็จแล้วเจ้าของบ้านเห็นหลวงปู่เดินทางมาเหนื่อยจึงขอให้ท่านเอนกายพักผ่อนก่อนเดินทางกลับระหว่างนั้นข้างห้อง ซึ่งเป็นร้านขายของมีคนเดินลากเกี้ะกระทบพื้นบันไดเสียงดังสิทธิ์คนหนึ่งทนเสียงเกี้ะไม่ได้จึงบ่นว่าแหมเดินเสียงดังเชียวหลวงปู่ซึ่งนอนหลับตาอยู่จึงพูดเตือนสติว่าเขาเดินของเขาอยู่ดีๆเราเอาหูไปรองเกี้ะเขาเอง